อ่ะท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ไปก็อ่านรับฟังเรื่องราวของโลกดําคือดาวดาวดาวหลุมดําต่อไปแต่ทุกท่านอย่าลืมว่าดาวหลุมดําเป็นนิทานแต่ว่าถ้าบังเอิญไปจะเหมือนกับนักฟิสิกส์สายเก่าเห็นกันแต่ว่านักฟิสิกส์สายเก่าเห็นของ <c oughs> นิทานกับของจริงจะต่างกันหลังเมื่อชมอาหารแล้วลองชิมรสอาหารเข้าแล้วก็รู้สึกว่ารสอาหารของเขาน่าจะติดใจก็มาคิดในใจว่าถ้าคนโลกของ <c oughs> ถ้าคนนี้ชอบเนื้อสัตว์ก็ให้กินเหมือน 4 ถ้าทรงได้ในประการได้โลกก็จะเต็มไป ก็ถามเขาต่อไปว่าหลังจากท่านรับคําๆประเทศ เธอถามเค้าบอก 3-4 โลกกับที่เป็นเพื่อนกันไม่มีใครจน แต่ถ้าว่าเรื่องของคนไม่ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ได้แต่เรื่องของประเทศชาติถ้าไม่มีอาวุธอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ว่าทั้ง 2 ฝ่ายตัดสินใจว่าทําให้ตรงดีกว่าเมื่อทําไม่ตรงก็ทําถนนทั้ง 2 ข้างประเทศ เขาก็จัดยานพาหนะก็ถามว่าท่านจะไปยานพาหนะมั้ยก็บอกว่า แต่ความจริงคนพูดท่านแล้วก็ท่านเค้าเก่งเค้าเรียบร้อยจริงๆท่านเค้าถามว่าจะ หรือว่าจะไปเครื่อง <c oughs> ข้างล่างเป็นกระจกมองเห็นทุกอย่างเนี่ยของเขาดีด้วยทุกคนก็นั่งเล 8 เลนถนนฝั่งโน้นถนนเล 8 เลน เป็นถนนคอนกรีตยังไม่ใช่เมืองทิพย์แต่มันเป็นเมืองมนุษย์เรียกว่าคอนกรีตกับ ไปถึงประธานีพับก็ลงได้ทั้ง 2 ข้างใครลงประเทศไหน เบื้องนี้มีความต้องการ ในเมื่อไม่มีทหารไม่มี มีผู้ใหญ่บ้านนั้นก็มีกำนันถ้าถ้าทั้งนั้นก็มีเมืองลูกหลวงเป็นเมืองในเมืองแต่ละเมืองก็ เขาบอก คนต่อเครื่องบินขายรถยนต์ขายเรือเมย์ เสื้อผ้าที่ขายส่งไปให้ให้สินค้าแลกกันของใช้ตามธรรมดานี้ไม่ ก็ก็ต่อว่าค่าใช้จ่ายที่นี่ไม่ต้องจ้างทุกคนมีกินมีใช้แต่ปีหนึ่งรัฐบาลก็จะมีรางวัลให้จากผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะผลได้จาก ก็คิดใน ขึ้นกันกับว่าครองกับเขาเท่านั้น บ.f praying ถือถนนห้นทางก็ดี ถือusing ถือดี บ.f praying ถื่อโหถงใหญ่โตมากอย่า Brook ไปเท่าเน้อย บ.f praying estarounds going by buying money Wouldn't you do? บ.f they are not able to sign directly грne que Caitlin บ.f prayingараб ind now what do you Europe special say to the Bhman i green bkie บ.f praying need to aula receivers บ.f Psinian this section of the hill, have to sign anything for you to social planning ก็รวมทุนเข้ามานอกจากนั้นก็ 10 บาทอย่างต่ำลงมาก็ 5 บาท 4 บาท แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาชามหนึ่งราคา 10 สตางค์ของเรานับเปรียบเทียบกับเงินเรามากจะรู้ความว่าเป็นเมืองที่ทรงกํากับบด 10 และ ลอยมาดูที่เมืองท่าก่อนมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นเมืองท่ากับประเทศไหนวันนี้เมืองท่ากับประเทศไหนเค้าก็บอกหมดก็ถามว่าเมืองท่าแต่ละประเทศเวลาส่งของออกต่างประเทศจะต้องเสียภาษีมั้ยเค้าบอกเรื่องภาษีออกกับภาษีเข้าเนี่ยไม่มีขนของออกไปเท่า การเสียภาษีเพื่อการส่งออกไม่มีภาษีเข้าล่ะเค้าก็บอกไม่มีเหมือนกันฉะนั้นของในประเทศนี้จึงมีราคาถูกถ้าทั้งค่าจ้างแรงงานก็บ่ค่าจ้างแรงงานก็มีเป็นของธรรมดามีเปอร์เซ็นต์การขนของทุกอย่างราคาเท่าไหร่ว่ากันมาเค้าดูราคาแล้วคิดเปอร์เซ็นต์ราคาค่าขนตั้ง หวนหวนลานอยากลานบรรทุกกล่องจากกล่องก็บรรทุกเรือนําลงเรือทั้งหมดอย่างนี้เก็บร้อยละ 1% ก็ถามว่าพอมั้ยก็บอกไปเห็นใครข้างบนเนี่ยเอายิ้มว่าประเทศนี้ความสุขทุกอย่างเพราะอาศัยพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําหลังจากนั้นก็ถามเค้าบอกว่า <c oughs> ชาวกะเมืองหลวงอยู่ใกล้ๆการเคลื่อนไปจากที่นี่จากยานไปไปเมืองหลวงกันพอไปจริงๆมีตึกมีรามีถนนโหนทางมีผู้ คือเป็นคนเนื้อละเอียดผิวเหลืองน่าอิ่มเนื้ออิ่มทั้งตายเรียกคนเนื้อเต็มทั้งหมดรูปร่างไม่เว้าไม่แหว่งไม่นูนอย่างพวกเราเขาเว้าแหว่งไม่เพราะผอมเกินไปบางจุดก็รีบบางคนก็มีเนื้ออย่าง ยิ่งไปกว่านั้นก็สวยมากยิ่งจะไปคือเห็นหน้ากันก็ยิ้มเขาเจิดได้ก็ยิ้มเขาพวกเขาก็ยิ้มกับเองก็เห็นพวกเราเขาก็ยิ้มก็รู้สึกว่าไปที่นี่มีแต่ความสดชื่นก็ไม่ขอชม แต่จุดที่ถานิยมจริงๆเครื่องร่อนเครื่องร่อนหรือจานบินที่เราคิด แต่ตอบว่าเขานิยมไม่เหมือนกันบางบ้านก็นิยมมีรถยนต์บางบ้านก็นิยมมีเครื่องร่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยนิยมใช้ก็ใช้เครื่องร่อนของกลางราคาถูกกว่าคือค่าพาหนะก็ถูกและก็มี เป็นรถยนต์รับจ้างเครื่อง เขาบอกมีพ่อเมืองพ่อเมืองถาม พระว่าการแต่งตั้งได้ยังไง สังเกตลักษณะของคนคนเกิดลักษณะนี้เค้ามีตำราดูนี่โบราณแท้ๆเลยนะเนี่ยมีตำราดูตามคล้ายๆลักษณะของที่เบ็ดปัจจุบัน <c oughs> แล้วก็แต่ละแต่ละหน่วย <c oughs> ทำมันไล่เบี้ยดูลักษณะให้ครบถ้วนดูการกํากํวนประพฤติปฏิบัติครบถ้วนตามที่เขาต้องการเขาก็เชิญท่านผู้นั้นขึ้นครองเมืองเรียกว่าพ่อเมืองคนทุกคนมีความเคารพก็ถามว่าว่าตั้งใช้เวลา 2,000 ปีเศษหลังจากพระพุทธเจ้าของเรา 2,500 ปี อยากจะทราบว่าเค้ามีพ่อเมืองกี่คนเค้าก็ยิ้มเค้าบอกว่าตั้งแต่เค้าเกิดมาเนี่ยเพิ่งมีพ่อเมืองคนเดียว 2,000 ทุกคนต้องอยู่เต็มอายุไข 4 กับ 10 คุ้มครองเนี่ยเขาจึงมีทั้ง ต่างประเทศแล้วก็คือไอ้ต่าง <c oughs> ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอไปชมแล้วในระหว่างทางเค้าถามว่าแต่ละสนามมีลักษณะท่าทางแตก ไอ้เครื่องร่อนคืออาจารย์มันหมุดนั่นน่ะมีท่านเครื่องบินก็ได้มีทั้งอาจารย์บินก็ได้อย่างนี้ดีกว่าฟังง่ายดีลักษณะมันเหมือนจานเพื่อรอรับชาวต่าง บางลักษณะมาจากโลกเดียวกันมือรูปร่างคล้ายๆเดิมมีแต่มีปีกก็มี <c oughs> จึงเข้าไปถามคนที่มาจากต่างโลกถามว่าท่านมาจากโลกไหนเค้าก็ตอบโลกให้เขาทราบมาจากโลกนั้นโลกนั้นตอน <c oughs> และภาษาที่เราพูดไปมันอาจจะไม่ <c oughs> เขาถามใช่จักการบินกี่ชั่วโมงเขาถามที่ถามนั้นก็เป็นพวกที่มาจาก ก็มีมืดมันมีโลกมีมีแต่สว่างท่านก็ว่าเวลาการนอนการพักผ่อนจะมีมั้ยเขาบอกว่ามีแต่การพัก การงานที่เขาทำทั้งหมดจะไม่มีอะไรข้างๆงานที่เขาทําทั้งหมดจะไม่มีอะไรขัดขวางฟังแล้วก็น่าปลื้มใจ ท่านไปดูเจ้าหน้าที่ก็ทักทายภาษากันแบบกันอย่างพูดก็เหมือนกันคล้ายๆก็ว่าเค้าจะมีภาษากลางของเค้า พาหนะบนผิวดินคือคือเครื่องบินและเครื่องร่อนนอกจากนั้นพาหนะของท่านมีที่ดินนั้นนอกจากอากาศก็มีใต้ดินก็ถามว่าใต้ดินมีเหรอเขาบอกมีมีอะไรมีรถไฟมีแต่ ใต้ดินทุกๆประเทศเต็มประเทศอเมริกาก็มีประเทศญี่ปุ่นก็มีประเทศไหนก็ตามเค้าก็มีรถไฟใต้ดินมีรถยนต์ใต้ดินกันมีสถานีการใต้ดินกันเค้ามีอยู่แล้วก็ไปใช้ของแปลกโลกเราก็มีแล้วเค้าก็มีแต่ว่าอยากจะถามเค้าว่าโลกเมืองใต้ดินน่ะมันเป็นเมืองใหญ่มั้ยเค้าบอกว่าใหญ่พอดูถามว่าเส้นทาง อาจจะบอกเส้นทางเค้าบอกว่าเส้นทางเมืองใต้ดินนี้รถ 4 กิโลเมตรเป็นความกว้างเค้าถามเค้าบอกว่าขุดหนามั้ยเค้าบอกว่าหนามากแล้วถามว่าเวลาขุดทาง เพราะฉะนั้นท่านทั้งทั้งจากก็เสร็จๆก็ต้องขอลาก่อนมันจะ